ทันมันคือคู่ที่ทำอาหารมีสติมากไหมมีมีสติหรืรวรวอว่าผ่านสเต็กที่ความเคยชินนะความเคยชินเดิมๆนะที่เราทําซ้ํากันมาสามสิบปีสิบห้าสิบปีเนี่ยมันมันก็เหมือน ส, สะ ส, สมเนาะสะสมสะสมความเคยชินเก่าๆความเคยชินที่ดีนะภาษาพรกก็เรียกว่าบารมีสร้างบารมีสร้างบารมีเหมือนพระเวชนรเนาะเขสร้างบารมีให้ทานทานจนทั้งทานได้นแ ม, ม้แต่ ลูกแต่เมียแม่แต่ชีวิตของพ่อเองนะพ็ทานได้นะในบารมีนะตองเป็นถ้าด้านที่ดีเราก็เรียกว่าบารมีถ้าด้านไม่ดีเรียกว่าอะไรเป็นเป็นอนุใัยนะเป็นอนุใัยที่มันนอนเนื่องในจิตใจนะถ้าภาษาไทย ย, ยากๆนะก็เรียกว่าดันดา แต่ภาษาบาดีสันดานีีเป็นคมก้องรนะสันนานก็คือสิ่งที่สะสม น, นะแต่ถ้าภาษาบาดีจะเรียกว่าตันรุสยัยความเคยชินเดิมๆที่มันมันหมักหมงนะมันติดอยู่ในในจิตใจนานๆ น, นะถ้ามันติดเป็นแค่ภายนอกนะภายนอกมันก็ยังไม่เป็นอะไรเท่าไหร่แต่มันติดแบบ ปิดใจไป ด, ด้วยเนาะเคยได้ยินไหแบบที่เรียกว่าเจริญนะอยโทษะเจริญนะถึงคนโกรธง่ายมักโกรธนะโมหะเจริญนะหลงง่ายมักหลงนะวิตกเจริญนะก็กังวลกลัวง่านยะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเนี่ย ม, ม, มันก็แต่สะสม บางทีเราบอกเราไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเราไม่ปฏิบัติธรรมคาว่ า, วามวไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็คือส่วนหนึ่งเราก็เอาเวลาเป็นปฏิบัติธรรมเราไม่ได้สร้างบา ร, รมีในการที่จะขัดก้อกีเลสเวลาเราก็ปใช้ในการตัดผมกีเลส <c oughs> มันก็ใช่ไหมเหมือนเหมือ น, น, เ, อ เ, น, นห เ, เหมือนเราบอกว่าไม่ทำงานนะถามว่าให้เราเช้นงินไหมเข้า <c oughs> ไหม เราไม่ได้ทำงานเราก็ต้องใช้เงินซื้อของไปอย่างน้อยก็เดือนหนึ่งเราต้องหมดไปหลายบานนะบางวันอาจไม่ซื้อจริงแต่เดือนหนึ่งปีหนึ่งถามว่าลดลงไปไหยก็ลดลงใช่ไหมเราไม่ได้ทำงานซึ่งเนี้ยเราเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันก็คือล้วก็คุณธรรมบางอย่างมันจะเสื่อมลงไปแต่คำว่าปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เปิดอีความเพียงแค่ว่าต้อง ทำในรูปแบบเลยบางคนก็ปฏิบัติทำนอกรูปแบบก็ได้เรามีความเสี่ยงตละดเรารู้จักให้ทานเรารู้จักช่วยเหลือคนอื่นหรือเรารู้จักปล่อยวางนหรือเราอยู่กับโรคมากเราก็เริ่มเข้าใจโลคมากขึ้นแต่ก็ไม่ไม่เสมอไปนะนะไม่เสมอไปะบางคนอยู่กับโรคน้อย เข้าใจมากกว่าคนที่อยู่บนโลกมากก็ได้นะแต่เราก็เนี่ยฝึกฝึกไปสติก็เหมือนกันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเป็นผู้ฝึกมานานหลายปีหรือเราเป็นผู้ที่ฝึกใหม่บางคนฝึกใหม่นะแต่ความเข้าใจได้เร็วก็มีนะอืมบางคนฝึกเก่าแต่จะจับหลักไม่ได้นะหรือว่า ยังขี่เกียจอยู่ก็อาจจะไม่ค่ใจค่อได้อันนี้ก็อยู่ที่ตัวเรานะอยู่ที่ตัวเรานะในการฝึกฝนให้มันแล้วก็คอยสังเกตนะหลักจริงๆคือสังเกตดูตัวเองสังเกตดูขณะที่ทำนะกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรนะสังเกตดูนะถ้าสติมันดีนะมันก็จะ นะใจจะเป็นกลางใจจะตั้งมั่นนะใจจะเป็นปกตินะแต่ถ้านะบางทีเราตั้งใจเป็นไปนะมันจะแข็งนะไม่ถึงว่ามันมันจะรู้สึกไม่เป็นธรรมาชาติมันจะดูจงใจไปหน่อยนสะังเกตไม่เวลาเราเขียนหนังสือถ้าเราเขียนแบบพยายามจะคัดให้มันแบบเป๊ะๆเนี่ยมันจะมันจะเป็นเกร่งเป็นเหนื่อยเนาะ แต่ถ้าเขียนเป็นธรรมชาติเล็น้อยก็มันก็ดีแต่ถ้าไม่ตั้งใจเขียนเลยก็ก็วัดอ่านยากใชตัวเองที่ยังอ่านยากอ่าพอดีพอดีดูแบบไหนเราก็เราก็ดูนะสังเกตดูนะกิริยาของกายที่เราทำก็ดีหรือว่าใจเวลามันวานไว้มันอาจะย้ำว่าตอนปฏิบัตินะก็ เราอย่าไปคิดว่าปฏิบัติเพื่อให้มันสงบไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสงบแต่ปฏิบัติเพื่อให้เรียนรู้หรือว่าศึกษาหรือว่าเพื่อเกิดความเข้าใจว่าความเป็นจริงของกายและใจเป็นแบบไหนดนะ้ถ้าเราตั้งใจเพื่อจะเรียนรู้ทุกอย่างในการเรียนรู้แต่ถ้าตั้งใจเอาความสงบ เมื่อสงบเราก็จะรู้สึกพอใจเมื่อไม่สงบเราจะรู้สึกว่ามันไม่ดีไม่พอใจมันจะกลายเป็นดีกับไม่ดีนะแต่ถ้าทําพื่อการศึกษาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นการศึกษาเท่านั้นนใช่ไหมดังนี้ก็ลองศึกษาดูนะศึกษาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายจิตใจนะติเนี่ยนจะเป็นผู้เห็น ความสงบก็เห็นความไม่สงบก็เห็ น, น, นตอนรู้ตัวก็เห็นตอลืมงตัวไปก็เห็นนะ น, นี่เราก็จะดูไปแบบเรื่อยนๆะลองแล้วก็เดี๋ยวไปก่อนเนาะลองสังเกตทำ้นที่ไปทําอยู่แล้วทําเป็นประจําก็ทําให้ ม, มากขึ้ น, นคนที่ขึ้นได้มาฝึกก็จะได้ลองทําให้มันเกิด ค, ความเข้าใจมากขึ้นนะับไม่เหมือน ใช่พวกนี้มาตั้งแบบเป็นประสบการณ์เป็นความเคยชินเหมือนเราขับรถนะขับใหม่ๆมันก็ยังเป็นเกรงยังกลัวๆยังไม่มั่นใจพอขับไปเรื่อยมันจะมีความมั่นใจมันจะมีความคล่องแคล่วขึ้นอืแต่คนขับเก่าๆก็อย่าประมา <c oughs> ทบางทีลราทำท่าได้ถูกนะทําให้คล่องแต่ใจก็คิดคล่องเหมือนกันเราต้องระวังอ <c oughs> นะเดี๋ยวก็คงเป็นโอกาสในกันปฏิบัตนะินะเป็นหลักแต่ จ, จะมีบางช่วงจ่เปิดสื่อของครูบาอาจารย์แต่ก็เป็นสื่อเทศเสียงแทนแล้วกันนะไม่ต้องหรือาพ้อื่มกันนะบางช่วงอาจจะมีเรียงมาประกอบบ้านนะในช่วงปฏิบัตินะแล้วพอตั้บ่ายสามโงคึ่งก็ไปก็ไปกลับมารวมกันอีกทีเพื่อมีคนก้าวเท้านำะนะนะแลกเปลี่ยนกัน ก็มีสถานที่ข้างบนอีกสองชั้นนะผู้ใหม่ๆก็จมีตรงนี้ผ่อนก็ดีแต่ผู้เก่าๆก็จะปีไปข้างบนก็ดีจะได้มีเวลาส่วนตัวได้ภาวนาะนะตั้งแต่เิบ่ยงันนะ